มิรินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมาวักกุสลากุสลากาฤษะสมาสมะปัญหาที่ห้าถามว่าพ้นแห่งกุศลและอกุศลเสมอกันหรือไม่ราชา สมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ในสกลชมพูพิภพส่งพระปรารภถามปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาวิปาโกอันว่าผลแห่งคนสองจำพวกคือจำพวกหนึ่งกระทํากุศลจำพวกหนึ่งกระทําอกุศลคนทั้งสองนี้จะได้ผลเท่ากันมรือหรือจะได้น้อยได้มากกว่ากันและต่างกันอย่างไร แระนาคเสนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารกุศลกับอากุศล น, นี้มีผลต่างกันฝ่ายบุคคลที่กระทารําการกุศลนั้นครั้นกระทําการาลกิริยาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่สวรรค์บุคคลกระทําการอากุศล น, นั้นก็ได้เสวยผลเป็นอันเที่ยงที่จะไปเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าพระเทวทัตนี้เอกันตะกันโโหเศร้าหมองโดยส่วนเดียวนี้เอกันตะสุโ ก, โกส่วนพระโพธิสัตว์เจ้านั้นบริสุทธิ์ผ่องใส ย, ยิ่งนักพระเทวทัตนั้นใจเป็นอกุศลพระบรมโพธิสัตว์เจ้า มีน้ำพระทัยเป็นกุศลก็ฉะไหนเล่าบางชาติพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์เจ้ามียศศักดิ์เสมอกันบางชาติไม่เสมอกันที่พระโพธิสัตว์มียศศักดิ์และชาติกําเนิดต่ํากว่าก็มีเช่นเมื่อครั้งพระเทวทัตเกิดในตระกูลพราหมุโรหิตของพระเจ้าพาราณสีพระบรมพรโพธิสัตว์เจ้าของเรานี้เกิดในตระกูลคนจันทาน รู้วิชาการกระทำมาม่วงให้มีผลใช่ฤรดูพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลต่ำกว่าพระเทวทัตนี้ชาติหนึ่งบุญจะปรังครั้นมาอีกเล่าพระเทวทัตเกิดเป็นกษัตริย์มีนามชื่อว่าพระเจ้าพาราณสีพระโพธิสัตว์เจ้านี้เป็นช้างต้นมงคลรหัสถีอันเผือกผู้ของพระเจ้าพาราณสีพระเทวทัตมีชาติสูงกว่าพระบรมพรโพธิสัตว์นี้ก็ชาติหนึ่ง ปุณจจะปารังอีกชาติหนึ่งพระเทวทัต เ, เ, เ, ททเป็นมนุษย์พระบรมโพธิสัตว์เป็นพระยาวานอนมีนามก่อชื่อว่ามหากปิชาติหนึ่งเล่าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเป็นพระยาช้างฉัตรทันพระเทวทัตนั้นเป็นพราหมณ์ตามฆ่าเอางาอีกชาติหนึ่งเล่าพระเทวทัตเป็นมนุษย์พระโพธิสัตว์เจ้าเป็นนกกระทาพระเทวทัตก็ฆ่าเสีย อุาจะปรังอีกชาติหนึ่งเล่าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเป็นขันติวาทีดาบทพระเทวทัตเป็นพระเจ้ากาศีราชนครนามกอนชื่อว่ากลาภุราชพิฆาตฆ่า พ, พระโพธิสัตว์เจ้าเสี ย, อ, อ, สยรรอีกชาติหนึ่งเล่าพระเทวทัตเป็นชีเปลยชื่อว่าโกรัมพีพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเป็นจันทรกะนาคาชอีกชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นชัดดินดาบท พระโพธิสัตว์เจ้าเป็นมหาสุกรชื่อตัชกะชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์ชื่อกบิลพราหมณ์พระเทวทัตเป็นพระยาชื่อว่าอุปริปราราชชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นมนุษย์ชื่อสามพระบรมโพธิสัตว์เป็นพระยาเนื้อชื่ออุรุชาติห bueno. นึ่งพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นพระยาช้างพระเทวทัตเป็นพราหมณ์ชื่อสุสามะตามไปเรื่อยงาถึงเจ็ดครั้ง ชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นกษัตริย์มีนามชื่อว่าลิงคาราชพระบรมโพธิสัตว์เป็นพระวิทุระบัณฑิตชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นช้างข่าเสียซึ่งลูกนกไส้พระโพธิสัตว์เจ้าเป็นพระยาช้างชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นยักษ์ชื่อว่าอธรรมพระบรมโพธิสัตว์เป็นยักษ์ชื่อว่าสุธรรมชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นนายสำเพา พระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เป็นนายสําเพามีบริวารคนละห้าร้อชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นพระญาเนื้อชื่อว่าสาขามิคราชพระบรมโพธิส anyway, ัตว์เจ้าเป็นพระยาเนื้อชื่อว่านิโครธมิคราชชาติหนึ่งเล่าพระเทวทัตเป็นกันดาหราพรามณ์บุโรหิตพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเป็นพระจันทกุมารชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นพ่อค้าเกวียนพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นพ่อค้าเกวียน มีบริวารคนละห้าร้อชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นอาลาตะเสนาบดีพระบรมโพธิสัตว์เป็นพรหมนาฏชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นพระยาพรหมทัตพระบรมโพธิสัตว์เป็นบุตรแห่งพระยาพรหมทัตพระนามปัตุมราชกุมารพระเจ้าพรหมทัตทิ้งพระบรมโพธิสัตว์เสียในเหวชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นพระยามหาป่าตาปราช พระบรมโพธิสัตว์เป็นพระราชกุมารชิดธรรมปาลกุมารเป็นพระบรมโอรสา ท, ที่ราชแห่งพระยามหาป่ตาป ร, ราชพระยามหาป่ตาป ร, ราชก็ฆ่าเสียครั้นมาเมื่อชาติพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเป็นพระเวสสันดรพระเทวทัตเป็นชูชกตราบเท่าจนปัจชิมชาตินี้ได้เกิดในักยะตระกูลด้วยกันทั้งสองพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ได้สำเร็จแก่พระปรามาพิเศษสัมโพธิยานพระเทวทัศกยราชก็ออกบวชได้ชาญโรกีเพียงที่จะฆ่าเสียซึ่งพระมหากรุณาด้วยจิตปรารถนาจะเป็นพระสัพพัญญูนี่แหละพระผู้เป็นเจ้าซึ่งโยมว่ามานี้ผิดที่ไหนหรือประการใดพระนาคเษน เ, เทระเจ้ามีเทระวาจารับว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรประวัติชาติที่มหาบพิตรตรัสมนี้ถูกต้องอยู่สิน้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่านี่แหละพระผู้เป็นเจ้าพระเทวทัตกับสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่นี้จะเกิดชาติใดตามทำร้ายชาตินั้นที่ว่าไม่ทำร้ายนั้นน้อยนักบางทีมีศักดิ์มีชาติสูงกว่ากันบางทีต่ำกว่ากัน ที่เสมอกันก็มีโยมเห็นชนีก็เข้าใจว่ากุศลกับอกุศลมีผลเสมอกันพระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรว่าใช่กระนั้นผลแห่งกุศลและอกุศลจะได้เสมอกันหาไม่ได้พระเทวทัต ถ, ถึงจะมียศศักดิ์สักเพียงไรก็ไม่เป็นที่ระแก่เทพามนุษย์ทั้งหลายส่วนพระโพธิสัตว์เจ้า หามีผู้ใดเกลียดชังพระองค์ไม่พระเทวทัตปฏิทุสน์ร้ายต่อพระองค์ก็ต้องไปทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกมหาราชาดุรานะบพิษผู้ประเสรศิฐซึ่งว่าพระเทวทัตได้เจริญด้วยยศศักดิ์สมบัติบริวารในบางชาติบางภพนั้นเป็นด้วยเธอได้กระทํากุศลไว้คือบางชาติได้เป็นเจ้าบ้านปกครองรักษามนุษย์นิกรทั้งหลายให้เป็นสุข บางชาติได้กระทําสะพานสร้างศาลาและสระน้ำบางชาติได้บริจาคทานแก่สมณะพรามณาจารย์ยาจกวณิพกทั้งหลายจึงได้สมบัติที่จะไม่ได้บริจาคทานและฝึกหัดดัดสันดานปราบปรามตนหรือไม่ได้กระทําอุโบสถกรรมเลยแล้วได้สมบัตินั้นเป็นอันไม่มีเลยมหาราชาขอถวายพระพรประการหนึ่ง การที่พระบรมโพธิสัตว์กับพระเทวทัตได้เกิดพบกันถึงจะนับเรื่อยร้อยชาติพันชาติหมื่นชาตินั้นก็ดีจะได้ชื่อว่าพบกันติดต่อไปโดยมากนั้นหาไม่ได้นานๆจริงจะได้พบกันทีหนึ่งแต่เพราะเหตุที่สงสารกำหนดเบื้องต้นหรือที่สุดไม่ได้เป็นการนานนักหนาจริงมีมากชาติสมเด็จพระมุนีนาถทรงอุปมาว่า เหมือนเต่าที่ผุดขึ้นในกลางมหาสมุทรที่จะได้พบสวะหรือขอนไม้นั้นน้อยครั้งที่มิได้พบอะไรเลยโผล่เปล่าไปนั่นแหละมากนักหนาเพราะฉะนั้นบพิษจงเข้าพระไทยว่าพระบรมโพธิสัตว์กับพระเทวทัตจะได้เกิดพบกันทุกชาตินั้นหามิได้มหาราชาขอถวายพระพรพระสัพพันธ์อยู่กับพระสารีบุตรเถระ ยังผลัดเปลี่ยนกันเป็นบิดาและบุตรเป็นพี่และน้องเป็นลุงอาณาและหลานกับทั้งเป็นมิตรสหายแห่งกันและกันสิ้นชาติเป็นอันมากจะนับด้วยร้อยด้วยพันนั้นก็คนาดนามไม่ได้มูสัตทั้งหลายทั้งปวงบรรดาที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตะสงสารย่อมจะได้ประสบสิ่งซึ่งไม่เป็นที่พึงใจรักใคร่บ้างสิ่งซึ่งอันน่าพึงใจรักใคร่บ้าง เป็นดังท่อนไม้และสว่าที่น้าพัดผาให้ลอยไปตามกระแสน้ำจะต้องได้กระทบกระทั่งสัพพวัตถุอันมีอยู่ในระหว่างทางเป็นลาดับไปสุดแต่ว่าจะไปประจบกับสิ่งใดเข้าย่อมจะได้ประสบทั้งสิ่งที่สะอาดทั้งสิ่งที่ไม่สะอาดและสิ่งที่ดีและชั่วทุกประการฉะนั้นมหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐ ครั้งหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นอธรรมมยักษ์เป็นผู้มิได้ตั้งอยู่ในธรรมประพฤติแต่กรรมอันเป็นทุจริตแล้วชักนำให้ผู้อื่นประพฤติตามครั้นตายไปแล้วตกนรกอยู่ห้าบเจ็ดโกรกับหกหมื่นปีฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์ก็เสวยพระชาติเป็นสุธรรมมยักษ์สถิตยอยู่ในธรรมและชักนาผู้อื่นให้ประพฤติตาม ครันกระทากาและกิริยาแล้วก็ขึ้นไปเสวยสมบัติทิพย์ในสวรรค์ช้านานประมาณห้าิบเจ็ดโกรดหกหมื่นปีมาในภพนี้พระเทวทัตกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดปะกันอีกพระเทวทัตลุกรานมรรณ์ทาประทุษร้ายพระสัพพันยูเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาแล้วกระทาสังฆเพทเป็นกรรมหนั ต้องแผ่นดินสู่ปลงไปไม่อยู่ในอวีจิมหานรกตราบเท่าทุกวันนี้ฝ่ายสมเด็จพระพิชิตมานมูลีเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมโพธิญาณสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วก็เสด็จล่วงลับเข้าสู่พระบวรมหานคเรศสิเวชนฤรุานเหตุฉนี้บพิษพระราชสมภารอาตมาจึงถวายพระพรว่ากุศลกับอกุศล น, นี้ มีผลไม่เสมอกันอะกุศลให้ผลไปทนทุกข์ในทุกขติส่วนกุศลนี้ให้ผลนำสัตว์ไปสู่สุขติภพทั้งสามผ่าข้ามถึงซึ่งฝั่งแห่งพระนรุภานขอบพิจงทรงทราบ พ, พระปัญญาญาด้วยประการดังนี้ส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้สดับก็ทรงประสาทโสมนัสตรสองสาธุการ กุสละกุสละกาลิสาสมาสมาปัญหาเป็นคำรบห้าจบเพียงนี้